การเวียนไหวาตายเกิดมีจริงผลการปฏิบัติธรรมของท่านในคืนนั้นทำให้เกิดสลดสังเวชใจในความเป็นมาแห่งการเวียนไหวาตายเกิดของตนดังนี้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 ใจได้เปิดเผยโลกกทธาให้เห็นอย่างชัดเจนเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงตลอดคืนในคืนนั้นไม่ได้หลับนอนเลยเพราะสลดสังเวชความเป็นมาของตนสลดสังเวชเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเพราะอำนาจแห่งกิเลสมันวางเชื้อแห่งกองทุกข์ฝังใจไว้ ไปเกิดในภพชาตินั้นชาตินี้ก็มีแต่แบกกองทุกข์หามกองทุกข์ไม่มีเวลาปล่อยวางจนกระทั่งถึงตายไปแล้วก็แบกอีกแบกอีกคำว่าแบกก็คือใจเข้าสู่ภพใดชาติใดจะมีสุขมากน้อยทุกต้องเจือปนไปอยู่นั่นแหลจึงได้เห็นโทษเกิดความสลดสังเวช แล้วก็มาเห็นคุณค่าแห่งจิตใจซึ่งแต่ก่อนไม่เคยคิดว่าจิตใจจะมีคุณค่ามหัศจรรย์ถึงขนาดนั้นการไม่นอนในคืนนั้นเพราะความเห็นโทษอย่างถึงใจและความเห็นคุณอย่างถึงจิตถึงธรรมในตอนท้ายแห่งความละเอียดอ่อนของจิตเราก็เห็นว่าอวิชชาเป็นของดี และประเสริฐไปยางสนิทติดจมไปพักหนึ่งหลงอวิชาอยู่เป็นเวลาแปดเดือนไม่เคยลืมเพราะรักสงวนอวิชาซึ่งเป็นตัวผ่องใสตัวสง่าพาเผย ตัวอง์อาจกล้าหาญจึงรักสงวนอยู่นังเสียทั้งทั้งที่สติปัญญาก็มีเต็มภูมิแต่ไม่นํามาใช้กับอวิชชาในขณะนั้นเมื่อเวลาได้นําสติปัญญาหันกลับมาใช้กับอวิชชาอย่างเต็มภูมิเรื่องอวิชชาจึงแตกกระจายลงถึงได้เห็นความมหัศจรรย์ขึ้นมาภายในจิตใจนั้นแหละ จึงเป็นความอัศจรรย์อย่างแท้จริงไม่อัศจรรย์แบบจอมปลอมดังที่เป็นมาเรื่องการเกิดตายของคนแต่ละคนแต่ละคนนี้ท่านเคยเล่าให้สิท พระเนนฟังอย่างถึงใจเพื่อให้เห็นทุกข์เห็นโทษของการเกิดและรีบเร่งขวนขวายสร้างคุณงามความดีใส่ตนให้มากดังนี้การเกิดการตายนี้ เกิดตายทับถมกันมานี้สักเท่าไรเท่าไรแต่ละศพแต่ละคนละคนมันรู้ไปหมดเวลามันรู้นะเอาให้มันจริงจงจังๆอย่างนี้เลยนะมันจึงขยะขยงโหมันผ่านของมันออกมามันก็ยังขยะขยงอยู่นะโถเวลามันจมอยู่มันไม่ขยะขยงนะบืนอยู่อย่างนี้ เวลามันผ่านออกมาแล้วมันถึงได้เห็นโทษของมันขยะกขยแงนะคนหนึ่งสั ต, ตว์ตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี้ถ้าไม่มีบุญไม่มีกุศลแล้วไม่มีความหมายเลยวนเวียนตายเกิดตายสูงตายต่ำตายเกิดอยู่อย่างนั้นตลอดตลอดมากี่กับกี่กันคนหนึ่งหนึ่งนี้ เอามากองประเทศไทยนี้ไม่พอกองศพของคนคนหนึ่งที่ตายเกิดตายเกิดเป็นสัตว์ประเภทใดก็าตามมารวมกันนี้เพียงคนคนเดียวเท่านั้นทั่วประเทศไทยเรานี้หาที่กองศพไม่มีเลยนานขนาดไหนกี่กับกี่กันที่ตายเกิดตายทับ ก, กองกันอยู่นี้นี่นะ่ะเรียกว่าตายกองกัน วนแล้วตั้งแต่จิตนี่ออกไปร่างนั้นแล้วเข้าสู่ร่างนี้เข้าสู่ร่างไหนก็ว่าเกิดร่างไหนหมดสภาพก็ว่าตายตา ย, ตายว่าเกิดว่าตายมันหากหมุนของมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานี่ละวัต ว, วุลวัตจักรสิ่งที่มาแก้คืออะไร บุญกุศลเราสร้างมากน้อยเท่าไรเท่าไรมารวมกันแล้วค่อยแก้ไปแก้มาแก้มากเข้ามากเข้าบุญกุศลมีมากเข้าความแน่นหนาของการแก้ก็หนาแน่นเข้าหนาแน่นเข้าอันนี้ก็ค่อยจางไปจางไปก็สว่างจ้าออกสว่างจ้าก็ดีผึงผึงเลยนี่ละพระพุทธเจ้าทุกๆุพระองค์ มองดูหัวใจสัตว์โลกที่เขาไม่มีศาสนาคือเขาไม่ได้มองดูหัวใจเลยเขาดูแต่วัตถุเท่านั้น